ขอกราบคารวะพระราดานตะเตยผู้เป็นทงใชัยของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนามัรรการหลวงปู่หลวงปู่พ่อใหญ่คำเขียนที่เคารพอย่างสูงสุดแล้วก็พระคุณครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านพระเถรานุเถระตลอดท้งภิกษุทุกรวงพ่อทุกทุกทุกวง จงเจริญขอขับนรรมัตการแม่ชีอุบาตกอุบาติกาผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษามาแล้ววต่างคนก็ต่างมาวัดมารวมกันพระก็มี ประมาณสี่สิบกว่าที่ผมรูปมั้งที่เข้าภรรษาในวันนี้แล้วก็พวกญาติโยมก็มากเยอะแยะเลยหน้าอุดมสมบูรแท้ๆรู้ตึกว่าภูมิ อ, อกภูมิใจที่ตุดที่มองพี่มาเห็นฝนก็ตกอากาศก็ดีดีมีแต่ความชุ่มชื่นสบายอกสบายใจ ทั้งพระทั้งเนนทั้งญาตทั้งโยมมารวมกันเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยก็เจริญได้ก็เพราะบริษัททั้งสี่คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกามาเข้าประพฤติปฏิบัติตัวเองเนี่ยมาสืบเนื่องเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านรวงรับไป ก่อนพวกเราแล้วมีแต่คำสอนของท่านที่ยังอยู่ประจำอยู่เนี้พอได้ให้เราพวกเรามาได้ฝึกมาหัดมาประพฤติปฏิบัติเอาเยี่ยงอย่างของท่านไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็พุทธศาสนาเขาข<อ>ก็จ ะ, จะเจริญงอกงามรุ่งเหลี้ยงขึ้นไปทุกทุกทีปีนี้ดูสกว่าคนหลายมากตลอดปีเลย ตั่งตลอดตั้งเดอนนี้ก็หลายหลายประมาณจัดสองร้อยคได้เนะาะอย่างน้อยหรือสามร้อยเต็มไปหมดเลยแล้วพวกเราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจมาประพฤติป ฏ, ปฏปิบัติไม่ว่าพระไม่ว่าโยม ีอุบาสกอบาสุกาทุกท่านทุกคนเอาใจใส่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฝึกมาหัดมาทำความเพียรให้เจริญงองามขึ้นทุกทุกท่านทุกทุกคนแล้วก็จะมีความ ภาคภูมิอกภาคภูมิใจภูพุทธศาสนาของเราก็นับวันแต่ว่าจะลุ่งเลืองขึ้นไป ท, ท, ทุกทีทุกทีถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวัดทุกสถานที่ก็ดีมากเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ผมเคยเป็นเด็กน้อยเคยไปพังทับวัดพังธรรมมาไม่ได้ยินครูบาอาจารย์มาสอนเรื่องชีวิตจิตใจของเรา รู้สึกว่ามาเข้ามาพระพุทธปฏิบัติเนี่ยคนที่ยังไม่รู้จักก็รู้จักเข้าใจเรื่องในชีวิตจิตใจเรื่องพระพุทธศาสน า, าสอนเรื่องนี่แล้วก็พาคันฑเอาใจใส่รู้สึกว่ามันเบิกบานใจจริงๆถ้าเรามาเข้ามาพระพฤติปฏิบัติเนี่ยเพราะเราเคยหลงมาแล้วตั้งแต่นานตั้งแต่เราเกิดมาจนใหญ่จนโตเนี่ยมีตั้งแต่แต เทศแต่ผมเป็นเดนน้อยเนี่ยมาเอาพุทธประวัติมาดูแล้วก็มาพูดกันครออูบาอาจารย์รท่านสอนบอกว่าพวกเรามาเนี่ยมาไม่ทันพพระ พ, พุทธศาสนาแล้วก็ก็มีตั้งแต่มาบวชเป็นพระพอได้ร่วมพุทธศาสนา พอบุญเรามันน้อยมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วเดี๋เนี่ยท่านบอกความนี้คูบาจารย์พวกชันเป็นพระเถระทั้งนั้นแหละมาพูดให้ฟังแล้วก็พอมาเห็นน้องปู่เทียนเข้ามาสอ น, สอนมาให้ธรรมะมีแต่เรื่องชีวิตจิตใจของเราทั้งหมดเลยไม่รู้จกักว่าผีสาง มันมีหรือว่าพระพุทธศาสนาเราถือเรี่ยงอะไรถือถือด้วยวิธีใดเราก็ไม่รู้มีแต่การให้ทานรักษาศีลอยู่อย่างนั้นตลอดมาพอมาเห็นพระพุทธศาสนาเห็นนลวงปู่เขมกเขียนพูดให้ฟัง เ, เดี๋ยวนี้มันบุญวัฒนาบามีแล้วเราเกิดมาเนี่ยมาเกิดอยู่ในเมืองพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ยังยังมีอยู่ยังไม่เสื่อม ถ้ามีบริษัทตั้งสี่ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้อ่ะพุทธศาสนาก็เจริญงอกงามขึ้นไปทุกทีทุกทีมันเสื่อมเพราะอะไรพุทธศาสนาเสื่อมเพราะไม่มีคนมาเข้าวัดมาพุทธประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์มาพัมสอนเรื่องชีวิตจีตใจให้ออกจากทุกเนี่ยตั้งแต่ก่อนเนี่่ทุก์นี่ไม่รู้จัก เม่รู้ทุกข์เนี่จากว่ามันจะออกวิธีใดเพราะว่าเรู้จักว่าตั้งแต่ทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเข้าไม่มีของไม่มีสมบัติพัฒฐานจากจนเขนจยเนี่ยนึกว่ามันจะทุกไปอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคือความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความขี้เกียจที่ข้านของเราน่ยเอง แล้วก็มาประวัติมาว่าก็ไม่มีโอกาสาไม่มีเวล า, ลาที่จะมาเข้าวัดเข้าวาได้เพราะว่าชวนมาเข้าวัดเข้าว่าเป็นของทอี่ไม่มีประโยชน์เสียการเสียงานาเสียเวลาทํามาหากิน<า>เขาก็ไม่อยากม า, าเขาไปติดอยู่อย่างนั้นแหละกร ะ, ะทามาเรื่อยๆเรื่อยๆมาก็เพิ่งมาเห็นได้ยิน ว่าพุทธตัตนายังอยู่แล้วก็เลยภาคภุมอกภาคภูมิใจชีวิตที่เคยทุกข์นั่นก็รู้สึกว่ามีกำลังใจเกิดขึ้นมานั่นแหละแล้วก็มาได้ประพฤติปฏิบัติก็ได้เข้าเห็นชีวิตจิตใจของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไปดูคนอื่นตั้งแต่ก่อนนปฏิพฤติปฏิบัตินี่ปล่อยกิตปล่อยใจออกนอก ไปทางนอกไปไม่รู้จักอะไรเลยมีแต่การหาอยู่หาจริงกานทำมาหาจริงไปดูแต่คนอื่นคนนั้นเป็นดย่านั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปส่งกิจตรงใจออกนอกไปไม่ได้เข้ามาดูตัวเองก็ไม่รู้จักพอมารู้จักเข้าใจนี้เฉพาะว่าโอ้ความทุกข์นี่มันเกิดจากเราไม่รู้จักทางเดินนี้เองพอมาเข้าใจความสอนของ หลวงพ่อที่เข้ามาโปรดมามาพูดให้ฟังก็ได้เข้าใจว่าโอ้ชีวิตของคนนี่ไม่เห็นใครมาสอนอย่างนี้เลยเนี่ยพุทธศาสนาสอนเรื่องชีวิตจิตใจของเราแท้ๆทุกทางกายทุกทั้งใจเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยไม่ไม่เคยเห็นว่ามัน ไม่ไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้พอมาเข้าใจแล้วก็ได้รู้จักทางรู้จักทางไปทางมาทางเข้าทางออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเกิดมานี้ก็รู้จักแต่ทางเข้าทางออกไม่รู้จักเข้ามาเท่าไหร่ก็มาตกอยู่ในหลุมอันนี้ตกลมตกอะไรตกเดินไปไม่ได้แหละตกเข้ามาในป่าก็ไม่รู้จักทางออกก็เพราะว่าเรา ไม่มีใครมาแนะนําพัมสอนเราก็เราหลงทางนี้มีแต่เอ่อมีอะไรก็ไปติดเราหมดตั้งแต่ก่อนลนวะพ่อไม่รู้จักไม่เข้าใจคําพูดว่าแต่ไปเข้าไปอยู่ในป่าร ก, ารกเข้าไปอยู่ป่าร ก, ารกใครเข้ามาก็หลงทางก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มาอยู่หาจินนี่แหละเอมาหาทำงามความดีนี่แหละเรามาแล้วก็ มาหลงทางเออยิ่งเดนเย่งไปเท่าไรเยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งลงไปไกเลเรื่อยๆเืยๆอ อ, อ, อ, ออกนอกไปตะพื้นตะพืพไปมีแต่สิ่งที่จะมีรถมีชาติมากอยู่ในโลกอานนี่เออทำอะไรก็ไปติดเออจะออกจากทุกข์ก็ออกไม่ได้เออเข้าไปมันมีมันสนุกสนานมันไปตามความคิดตัวเองคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เคียง คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสารพัดต่างๆมันจะคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาแล้วก็ไปติดอยู่ในความคิดเอจะออกไปไหนก็ออกมาได้ถ้าตอบมันกลัวคิดอะไรดีๆเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่อยากให้มันหนีไปไหนแหละก็เดินหามันเดู๋นั่นแหละหมดวันหมดทั้งวันทั้งกลางคืนเอ้คิดทําไมมันแต่มันไม่หนีไปไหนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเราเห็นมันมาเกิดขึ้นมาให้เห็นอีกมีแต่สิ่งอื่นๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไป ก็ข้าวุ่งสั่นลำคัญสารพัดตั้งแต่มันจะเกิดขึ้นมาก็อยากขี้เกิดความเบื่อหน่ายคลายเทียงไปมันมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างอันที่มันไม่ดีนั่นเกิดขึ้นมาก็ยิ่งห้ามมันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาไม่ให้เกิดขึ้นมาก็ไปตามมันนั่นแหละก็ไปทุกข์ไปตามมันอยู่นั่นแหละทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันก็นอนฝันกลางคืนกลางคืนก็นั่งกลางคืนก็นอนคิด สารพัดกลางคืนนอนฝันกลางวันนั่งคิดไปตาม ย, ยาสากรรมของคนที่ไม่รู้อะไรพอมันเกิดขึ้นมาเราก็ไปจดไปจำไปติดกับสิ่งนั้นมันอยู่เป็นวงวนเวียนอยู่อย่างนั้นแนละยไม่รู้จากทางไปไม่รู้จากทางออกออมีแต่ติดไปอยู่เรื่อยๆไปไปจูดในความคิดคิดถาดีตอดีตบ้างอ น, อนาคตบ้างคิดอิจฉาคิดพยาบาทคิด ตาแะพัดอย่างนั้นไม่จะเกิดขึ้นมาวกวนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในในชาตินี้แหละอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักออกมีแต่ทางเดินทางเข้าไปแต่พึ่ตะพือไปเรื่อยๆไปพอมาเข้าใจนี่ก็โอทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นนี่มันดีแล้วแหละอันทางทุกข์มันก็สอนเราอันทางที่ถูกที่ดีนั่นก็มันสอนมันก็สอนเรา ล้วสอนเราแล้วเราก็ไปเป็นเบื่อหน่ายไปไปดีไปเป็นเบื่อหน่ายความดีก็ก็ดีไปก็เพลิดเพลินไปความไม่ดีก็เบื่อหน่ายไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันมีก็ไปบังคับตัวเองไม่ให้มันคิดไม่ให้มันอยากไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จักไปคุมไปจดไปทไหนไปจ้องไปจ่ออยู่ตั้งแต่สิ่งที่มัน เกิดขึ้นมาแล้วว่ามันก็เลยเกิดอิจฉาพยาบาดตัวเองอ่ะไม่รู้จักออกมันดุมันบกบวนเวียนไหวอยู่อย่างนั้นพอเรามาเห็นแล้วก็โอ้มันเกิดขึ้นมาธรรมดาเราจะไปห้ามมันไม่ได้เรื่องเกิดมันก็เป็นธรรมดามันจะดับก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันเราไม่ได้ไปบังคับบัญชาของอะไรที่มันเกิดเนี่ยเราก็เดินไปตามมันมีมันเป็นนั่นแหละ ตั้งอกตั้งใจดูกายกับใจนี่แหละมีกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปอะไรเกิดขึ้นมาเราก็พลอยดูมันไปนี่ความเจ็บความปวดความเมื่อยเมื่อยความล่าความหิวความเดือดร้อนสับสวนวุ่นวายอะไรเมื่อเกิดขึ้นให้เราเห็นให้เราตั้งแต่ก่อนเราไปเข้าไปเป็นับันนี้เราเห็นแล้วเราจะไม่เป็นเลยเป็นผู้รู้รู้จักแล้วก็ ตัวอาศัยของเราคือตัวรู้สึกคืออารมณ์เนี่ยคือรูปนามของเราเนี่ยมีกายมีใจเนี่ยกายมันก็เคลื่อนไหวมันมีหน้าที่เคลื่อนไหวการเจ็บการปวดการร้อนการหนาวแต่ละพัฒนาไม่เกิดอยู่ที่กายของเราเนี่ยเก็บหัวปวดท้องแล้วก็รู้จักรู้จักแล้วตั้งแต่ก่อนเราก็เคยไปเป็นกับมันอยากจะให้มันหายอยากจะ กลัวเองจะไม่ไม่หายกลัวจะล้มจะล้มจะตายไปก็ไปไปคิดตั้งแต่อย่างนั้นแหละไม่รู้จักออกก็เป็นทุกข์ไปามันเรื่อยไปพอมารู้จักแล้วก็โอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาเออเราก็รู้จักตัวท่างกายมันมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเราจะไม่ไปเป็นผู้เป็นดูแล้วก็ มามาดูอยู่กับมาอยู่กับตัวรู้ของเราเนี่ยรู้แล้วก็แล้วไปมาดูใจมันก็มีหน้าที่คิดคิดไปอดีตบ้างอนาคตบ้างสารพัดอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้เนอเพ้อเพลินไปกับมันอ่มันก็เป็นงนั้นแล้วก็เป็นทุกข์กับมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันหลอกมันล่อเราไม่มีสิ่งที่จะศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งที่จะแน่นอนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ทําให้เราทุ ก, ท ก, ว, กวนเวียนไหวอยู่นี่แหละในภพในชาตินี่แหละหนีออกจากภพจากชาติจากความคิดนี่เขามไม่ได้พอมาเห็นความคิดพอมาเห็นอาการเกิดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็รู้จักปล่อยจากวางจากปลดจากละไปโอ้คําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่แค่ว่าให้มาเอาอะไรเกิดขึ้นมาเป็นเพียงพูรู้รู้แล้วก็ให้ออกจากความคิดนั่นไป ก็มาอยู่ตามธรรมดาทุเแล้วแต่ถึงที่จะเกิดจะเกิดก็ให้มันเกิดจะดับก็ให้มันดับให้เราดูอาการของมันไปเรื่อยๆไปเราก็ไม่ต้องไปเป็นผู้เป็นเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆพอมาเห็นเนนี้เราก็ออกมาก็ม่รู้จกักบทจากปล่อยจากวางจากละออก อ, อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ไปเป็นผู้เป็นไม่เอาไม่มีสิ่งที่จะเอาสักอย่างเดี๋ยวเกิดมาเนี่ยดูชีวิตจิตใจของเรา อาการเกิดมันมาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ปล่อยไปออันดีเกิดขึ้นมาก็ปล่อยไปอั น, นไม่ดีเกิดมาเราก็ปล่อยไปมีแต่แตพิจารณามันไปอันนี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนอาการไม่แน่นอนไม่มีมีแต่สิ่งที่อัตรายไปทั้งหมดนี่ก็ไปเห็นทุกข์ตัวเองโอ้ ท, ท่าทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้โลกอันนี้โลกอยู่นี่มันถ้าไม่มีคนมาบอกมาสอนหนึ่งเนี่ยเราจะจมตายอยู่นี่แหละ คิดเห็นพ่อเห็นแม่คิดเห็นพี่เห็นน้องที่เกิดมาก่อนก่อนแล้วอยากให้ท่านมาเห็นเหมือนพวกเราเกิดมาเล่นเฉยๆ เ, เ, เกิดมาเน่ยกลัวจะเกิดขึ้นมาเป็นคนนี้ก็ทุกข์ยากลําบากเขินใจเหลือที่สุดกลัวจะไปใช่จัดแทะกรรมันสิ่งที่เรามาทําไว้แล้วเนี่ยอย่างที่เรามาเกิดมานี้ก็มาทํานี้ก็อยากได้ดีทุกคนความดีมันก็อยู่เกิดกับจากจากคนเนี่ยอยู่ทั้งอื่นไม่มีไม่มีสิ่งที่มาทําให้เราเราต้องทําให้เอง มันดีอยู่ที่กับเราเร า, เราทำขึ้นมันก็ได้ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้ตัวใครตัวมันทำเพื่อทเพื่อใครเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เราพัานามอย่ามาดูตัวเองเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยยังมีบุญมตนาบรารมีเนี่ยเราอย่าไปอ้างวันนั้นอันวันนี้ดีอย่าไปนัดวันประกันพุง่งเนี่ยมารีบเร่งเข้าวันคืนวันคืนลงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพราะว่า เราปล่อยให้เวลานั้นอะล่วงไปเฉยเฉยปล่อยให้เวลานั้นทิ้งไปโดยไม่มีประโยชน์พิจารณาให้พยายามมาทําเพราะว่าไม่อะไรมือรั่ววัดไหนเราจะไปสวรรค์ตายอ่ะเพราะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเท่าเท่ากาับวัดจับตินประหารชีวิตหมดทุกคนนั่นแหละต่างคนก็ต่างเดินไปหาความตายทุกค น, คนเดินไปวันละข้าวละข้าค น, คนไปถึงก่อนก็ตายก่อน มันไปตายไปที่หลังคนตายที่หลังเนี่ยตายหมดทุกคนสัตว์ทุกตัวทุกนัไม่ว่าแต่คนแต่สัตว์สัตว์เดรนิชันแต่มนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะตายวันไหนเนี่ยให้เราพยายามบอกไปได้ตอนไม่ได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จริงของจริงมันมีอยู่อยู่กับเรานี่คือความตายเกิดแก่เก็บตายเนี่ยไม่นัดวันบระกันภูเขารอกดูแล้ใครจะไปถึงก่อนเนี่ย ใครกับเราไปถึงหลักปะหารแล้วก็ไปเท่านั้นแหละตัดก็ตายไปตายไปเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้เวลาล่วงไปเฉยๆดิบเลียงเข้าเนี่ยเพราะว่าเราเกิดมาหลงทางมานานแล้วเพิ่งมาเห็นหนทางที่จะไปเนี่ยคือว่าเราไม่ต้องไปเอาอะไรทั้งหมดที่เราเกิดมาเนี่ยเราตั้งอกตั้งใจทำให้ดีแล้ว่า นับวันนับคืนไปเรื่อยไปนั่นแหละมันไม่มีสิ่งที่แน่นอนหรอกเพราะจะพยายามอย่าปล่อยละวางจิตวางใจตัวเองให้มันไปตามยถากรรมของมันมันนี่เรามาเห็นแล้วเห็นทางแล้วก็มีผู้มาจูงเราขึ้นจากนรกแล้วเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราสร้างทุกอย่างเราเกิดมาเนี่ย มีทุกอย่างทำได้ทุกอย่างความดีความชั่วความร่ำความรวยความที่มันจะดีนั่นมันอยู่ลากับเราไม่มีคนมาสร้างให้เราดอกเมื่อกี้แล้วก็มีแต่สร้างขึ้นเองทั้งหมดเลยได้ยินแต่ท่านว่านรกสวรรค์นิพพานเนี่ยได้ยินว่าคนตายไปเห็นนรก ไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอะไรเนี่ยเราเรามันไม่มีหรอกตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันมีตอนเรามาเกิดมาเป็นคนเนี่ยมาสร้างขึ้นเองจากเอกสารเราก็สร้างขึ้นเองเป็นสันนลกเราก็สร้างขึนเองเปรเราก็สร้างขึ้นเองทุกอย่างความร่ำรวยสวยงาม อะไรเรา <แ crisp S 1> เกิดมาคนเป็นคนนี้เรามาสร้างเองไม่มีอะไรจะมาสร้างสร้างมาสร้างตอนเราเป็นคนนี้แหละถ้าเราสร้างมาได้ตอนที่เรารปรเป็นคนนี้อย่าหวังเลยอย่าไปอ้อนเอาแต่ไปอ้อนวอนหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทําให้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างนั้นให้เป็นอย่า ง, างนั้นไม่ต้องไปปรารถนาให้เราทำเอาเองอยู่ในตัวเราเป็นคนนี้แหละถึ่งในที่มันดีอ่ะต้องพยายามทํา พยายามทําให้พยายามปล่อยวางสิ่งในที่ปล่อยวางก็ปล่อยวางไปสิ่งใดที่มันที่เอาปล่อยวางไม่ได้ก็พยายามมาทําความรู้สึกมากๆเราอยากออกจากความรู้สึกไปไหนมาไหนก็เอารู้สึกเนี่ยเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้อยู่กับตัวรู้มันเป็นยังไงก็ให้ให้รู้ให้เรารู้จัก ให้มีตติเนี่ยมันมันสร้างขึ้นเองหมดทุกอย่างทำไมยึงยากยงจนทำไมยังขี้เละขี้ไร่ที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมไม่สวยไม่งามคือเหมือนคนนั้นคนนี้ก็การกระทาของเรานะมันทำได้อย่างนี้อย่างที่เราเกิดมาเนี่ยมันก็ได้เท่านี้แหละถ้ามันดีมันก็ดีกว่านี้คำำํามร่ำรวยก็เหมือนกันความส บ, บายอกส บ, บายกายส บ, บายใจของเราก็เหมือนกันเราทาเอาเอง เพราะฉะนั้นให้เราหยาบประมาทเกิดเป็นคนเนี่ยทำได้ทุกคนพยายามทำเอาละผมว่าแบบนี้ก็สมควรจะเวลาแล้วเพราะว่าคนแก่ไม่มีนั่นะว่าจะนั่นหลวงพ่อควณฑ์พราบอกว่าไม่ต้องพูดดอกธรรมะพวกเราแก่แล้วให้คนแต่คนพวกที่ คนหนุม่มคนแน่นเขาพูดในฟังดีกว่าพราะเราฟังดีกว่ากหลวงพ่อพ่ อ, อ, อพ่อก็ไว้ให้เทศนานเนะ่ยนะเทศรายนดีิดหน่อยหน่อยก็ไรเพราะเราท่านพูดกับหลวงพ่อนะเดี๋ยวก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงตงกตั้งใจพื่ปฏิบัติในพระพุทธตาสนาของเราเนี่ยให้มาดูกิจ ด, ดูใจให้มันสว่างให้มันสะอาดทํามันสงบไม่มีสิ่งเดที่จะเอามาเป็น อย่าไปยึดใหม่มั่นถือมั่นในสิ่งอะไรทั้งหมดปล่อยวางให้หมดอะไรก็เป็นโพลู เ, เกิดขึ้นมาก็รู้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แกออทุกๆคนให้มีแสงสว่างสะอาดสงบด้วยกันทุกๆท่านโกนในเวลานไตรเืิเน